การบำรุงพระในบ้านก็รู้กันแล้วว่าพระในบ้านนั้นคือใครยังเหลืออีกเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นคือทําอย่างไรจรึงจะทําให้พระในบ้านมีความสุขมีความสบายใจได้บ้างให้ท่านได้มีโอกาสเห็นลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้านานๆให้ท่านได้มีโอกาสชื่นชมยินดีในความสําเร็จของลูกหลานทันเวลาก่อนที่จะลาโลกไป และให้ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างหลังจากได้ตรากตรำทำงานหาเลี้ยงลูกมาจนถึงวัยปูนแก่แล้วคือช่วยยืดอายุให้ท่านอยู่กับเราต่อไปนานๆ น, น, นั่นแหละโอกาสที่จะทำได้อย่างว่านั้นสำหรับลูกๆแล้วย่อมมีตลอดไปและมีมากเสียด้วยเว้นไว้แต่จะไม่ยอมมอบโอกาสเช่นนี้ให้พ่อแม่บ้างเท่านั้น เพราะปกติเรามักจะอ้างกันอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสโดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่สำหรับกิจการอื่นๆหรือในการสแสวงหาความสุขการใช้เงินใช้ทองบำรุงบำเรอผู้อื่นนั้นเราช่างมีเวลามีโอกาสเหลือเฟือพอที่จะทำได้เสมอๆโดยมีพักต้องกังวลหรือคิดหน้าคิดหลังซสด้วยซ้าไป การบำรุงท่านเป็นวิธีการเดียวที่ถูกต้องและสมน้ําสมเนื้อกับคุณข้าวป้อดน้ํานมรวมทั้งยาดเหงื่อแรงงานที่ท่านได้ลงไว้กับเราเพื่อให้เราได้ดีจนกระทั่งเรามีหลักฐานมีงานทําอยู่ทุกวันนี้ตามหลักธรรมหรือจะพูดให้ชัดคือตามหลักศัจธรรมอันเป็นเรื่องจริงและเป็นธรรมชาติตามธรรมดาของโลก การบำรุงพ่อแม่เพื่อตอบแทนพระคุณท่านนั้นเราอาจทำได้หลายวิธีเป็นต้นว่าการเลี้ยงดูท่านการช่วยเหลือท่านทำกิจการงานต่างๆบรรดามีของท่านทำกิจการงานต่างๆบรรดามีการประพฤติตัวให้ดีม่ให้ท่านมีมนทินมัวหมองเสียชื่อเสียเสียงไปด้วยการดำรงอยู่ในโอวาท คำตักเตือนและคำนำของท่านการรักษามรดกของท่านไว้ทั้งมรดกที่เป็นเลือดเนื้อและตัวเราและมรดกคือทรัพย์สินที่ท่านมอบให้ด้วยดีไม่ให้มรดกนั้นมาลายสูญไปเพราะตัวเราและใช้มรดกของท่านให้เกิดดอกออกผลงอกเงยขึ้นมาอีกยิ่ ง, งขึ้นไปกว่านั้นการบำรุงพ่อแม่นั้นเราอาจทำได้ทุกเวลา เราอาจทำได้ทุกเวลาและทุกโอกาสและทุกวัยเพราะไม่ยากจนเกินไปจะทำได้แม้ว่าเราจะมีครอบครัวไปแล้วแม้ว่าเราจะแยกกันอยู่ต่างหากจากพ่อแม่หรือไปอยู่ห่างไกลในหนใดก็แล้วแต่ก็ยังพอทำได้เช่นกันอย่าได้นึกเลยว่าอยู่ไกลหรืออย่าได้คิดเลยว่าท่านล้มหายตายจากไปแล้ว จะไปบำรงท่านได้ที่ไหนการบำรงพ่อแม่นั้นไม่ใช่ทำได้โดยต้องเลี้ยงดูท่านอย่างเดียวเราที่อยู่ไหนท่านก็จะไปอยู่กับเราที่นั่นเราขึ้นเขาลงห้วยเราไปอยู่ในสมาคมคนดีหรือคนเลวท่านก็ไปกับเราด้วยตัวเรานี่แหละเป็นเสมือนตัวท่านเป็นตัวแทนของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งที่แยกภาคมาจากท่านเพราะตัวเราคือเลือดเนื้อเชื้อไข้สายโลหิตของท่านแต่การบำรุงพระในบ้านเนี่ยสำคัญเป็นอันดับแรกที่เราควรทำอย่างยิ่งก็คือการเลี้ยงดูท่านให้เป็นสุขเพราะการเลี้ยงดูการปรนิบัติพ่อแม่เป็นการต่อเติมชีวิตของท่านให้อยู่นา น, น, าน เท่ากับเป็นการเพิ่มเติมพลังกายพลังใจให้ท่านนั่นเองและเป็นการสนองพระคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ทั้งเป็นการแสดงน้ำใจของเราให้ท่านได้เห็นด้วยคนเราจะรู้ว่าใครดีไม่ดีก็ต่อเมื่อได้เห็นน้ำใจกันก่อนน้ำใจย่อมมีค่าสูงและมีพลังมากกว่าน้ำใดๆในโลก ระานในบ้านปรารถนาเหลือเกินจะได้เห็นน้ำใจจากลูกๆที่ท่านอุตสาหเลี้ยงดูอุ้มชูมาแต่น้อยคุ้มใหญ่แต่ความปรารถนาของพ่อแม่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำใจของเราผู้เป็นลูกเท่านั้น การเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่ได้ใช้ความภาคเพียรพยายามรากตรำหาเงินทองเลี้ยงลูกมากว่าจะโตได้แต่ละคนนั้นก็เลือดตาแทบกระเด็นร่างกายก็พลอยสุดโทมลงตามลำดับอายุวัยก็เพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็ต้องหยุดพักไปโดยปรยายเพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยให้ทำงานได้เหมือนเมื่ อ, อยังเป็นนม แม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งอยากทําสักบานใดก็ไม่อาจฝืนธรรมชาติของสังขารได้ตอนนี้แหละเป็นโอกาสของลูกแล้วที่จะได้ตอบแทนใช้หนี้บุญคุณของท่านด้วยการเลี้ยงดูด้วยการปฏริบัติท่านบ้างตามด้วยการเลี้ยงดูด้วยการปฏริบัติท่านบ้างตามความเหมาะสมเพราะหากลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่ตอนนี้ แล้วใครจะเลี้ยงจะให้ท่านไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราหรืออาจทำได้แต่เท่ากับว่าส่งท่านให้ไปอยู่ในคุกในตารางหรือส่งให้ทรมานใจอยู่ในนั้นมากกว่าเพราะสถานที่เช่นนั้นมันจะว้าเวและโดดเดี่ยวสักเพียงใดและเป็นสถานที่สำหรับคนที่ไร้ญาติกาดมิตรหรือคนที่ลูกหลานไม่เลี้ยงไม่เอาใจใส่แล้วเท่านั้น เราลองคิดและนึกวาดภาพดูก็แล้วกันในหมู่คนแก่ที่แปลกหน้าไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนและท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างเดียวดายของคนแก่แต่ละคนจะผิดอะไรกับส่งท่านไปตายแบบผ่อนสงเราใจถึงพอที่จะส่งท่านไปอยู่ณสถานที่เช่นนั้นหรือ แต่ก็มีคนแก่อีกจำนวนไม่น้อยที่พอใจจะอยู่ในที่เช่นนั้นซึ่งตนเองก็รู้ดีว่าไม่สุขสมสรหรือน่ารื่นรมเท่าไรนักแต่ก็พอใจจะอยู่ในที่นั้นเพราะเห็นว่ายังดีกว่าอยู่ที่บ้านของตัวเองที่บ้านของลูกหลานซึ่งเป็นเสมือนขุมนรกของท่านมีลูกมีหลานก็เหมือนคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน จะพูดจะจาทักบ้างก็ไม่มีจะถามไทยสุขทุกบ้างก็ไม่เคยได้ยินอยู่ไปก็ถูกดุถูกด่าสารพัดหาว่าเกะกะบ้างละว่าอยู่ไปก็เปลืองเข้าสุขบ้างละเมื่อไรจะตายตายเสตีบ้างละเมื่อได้ยินลูกหลานพูดเข้าทำนองนี้เขินอยู่ไปก็รังแต่จะน้อยใจ ช้ำใจและอึดอัดใจเปล่าเปล่าเลยขอไปให้พ้นพ้นบ้านเสียไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าและมักจะตายด้วยดาบหน้าจริงๆอย่างที่ตั้งใจไว้เสียด้วยการเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีมีสุขตามสมควรนั้นหากจะให้สมบูรณ์แล้วต้องเลี้ยงท่านทั้งสองทางคือเลี้ยงทางกายเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงร่างกายพ่อแม่การเลี้ยงร่างกายพ่อแม่นั้นออกจะไม่ยากนักเพราะคนแก่อยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องการกินการนอนมากนักเพียงให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคและให้เครื่องนุ่งหม่มอันเป็นปัจจัยจาเป็นสำหรับชีวิตแก่ท่านก็เพียงพอแล้ว สำหรับเลี้ยงร่างกายให้อยู่รอดไปวันๆและดูเหมือนว่าจะไม่สิ้นเปลืองเท่าไรด้วยหากคิดเปรียบเทียบกับที่ท่านเคยเลี้ยงเรามาการเลี้ยงเท่านี้ไม่น่าจะต้องเป็นกังวลสำหรับลูกเลยลองนึกย้อนหลังดูทีหรือว่าเมื่อเราเป็นเด็กนั้นเรากินเราใช้เปลืองกว่านี้ข้าวก็ต้องอย่างน้อยวันละสามมื้อ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปีนึงนับชุดไม่ได้ขนมนมเนยต่างหากเรื่องประดับต่างหากทั้งการใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานและความสำราญต่างๆก็ต่า ง, งหากเปลืองอย่างนี้ทำไมพ่อแม่ยังหาเลี้ยงเรามาได้และไม่ใช่เฉพาะเราเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกของพ่อแม่คนอื่นๆซึ่งก็เป็นพี่น้องกับเรานี่แหละท่านก็หาให้เหมือนๆกันทุกคน เปลืองพอๆกันซ้ำยิ่งโตยิ่งเปลืองหนักเข้าไปอีกพอถึงคราวที่เราจะต้องเลี้ยงท่านให้อิ่มหนำสำราญบ้างทำไมเราจึงทำกันไม่ค่อยจะได้เล่าเคยเห็นอยู่ออกบ่อยไปที่ลูกบางคนเวลาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยที่จะสนใจเลี้ยวแลนักท่านจะสุขทุกอย่างไรก็ช่าง จะมีกินมีใช้หรือไงไม่นำพาปล่อยให้อดอดอยากๆพ่อแม่ไปเยี่ยมเยียนบ้างก็ตั้งท่ารังเกียจพ่อแม่ไปอยู่ด้วยก็พูดกระทบกระเทียบให้เจ็บช้ำน้ำใจเล่นกล่าวหาว่าเกะกะบ้านทำอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวสารพัดจะหาคำพูดมาประหัดประหารน้ำใจเวลาท่านตายจากไปนำศพของท่านไปจัดตามประเพณี อย่างสวยหรูเสียด้วยทั้งนี้เพราะหากไม่ทำก็กลัวว่าถูกคนอื่นนินทาหรือทำให้เสื่อมเสียเกียรติของตนไปดอกไม้ก็จัดอย่างแปลว์ปลวประดับประดาเสียจนผู้คนเห็นแล้วอยากจะตายและถูกทำศพอย่างนี้บ้างแถมยังจัดสำรับกับข้าวอย่างดีไปวางไว้ที่ข้างๆลงศพกลัวท่านจะไม่รู้ยังเคาะโลงเรียกให้พ่อแม่มากินเีอีก พ่อมากินเสียแม่มากินเสียพ่อเอ๋ยยามที่ท่านยังมีลมหายใจยังพอกินได้และอยากจะกินเสียด้วยไม่ยักเรียกท่านให้มากินไม่ยักยกไปให้ท่านกินบ้างภาพอย่างนั้นมันควรจะมีตอนที่ท่านมีลมหายใจอยู่มากกว่าตอนที่ท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วอย่างนั้นท่านจะรู้หรืออือ อ, อไปกับเราด้วยหรือไม่ เราก็ไม่ทราบท่านอาจจะไม่ได้กินของเราก็ได้แต่โดยมากเราก็ทำกันบางทีทำเพื่อความสบายใจของตัวเองก็มีเฮ้อคนอย่างนี้ก็มีด้วยบางคนต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วจึงเกิดความรักคิดถึงท่านบ้านก็เงียบเหงาเคยมีเสียงบนเคยมีเสียงตักเตือนสั่งสอน เคยมีหลักอยู่ในบ้านแม้จะเป็นเพียงหลักที่ลูกมองเป็นหัวตอก็ตามทีพอท่านตายจากไปเสียงนั้นก็หมดไปหลักบ้านก็ขาดหายไปทำให้เกิดความเงียบเหงาวังเวงเมือนเหมือนกับบ้านขาดอะไรไปอย่างหนึ่งคิดไปคิดมาก็นึกถึงพ่อแม่ได้ยิ่งตอนที่ลูกตัวเองไม่เอาใจใส่ดูดำดูดี หรือเถียงคาไม่ตกฟากด้วยแล้วยิ่งคิดถึงพ่อแม่หนักขึ้นแต่ก็เรียกชีวิตท่านคืนมาไม่ได้เสียแล้วจะเหลือก็เพียงรูปถ่ายไว้ให้ดูต่างหน้าหรือกองกระดูกไว้เป็นตัวแทนเท่านั้นตอนนี้แหละจะมองเห็นความสำคัญของท่านขึ้นมาแต่ก็สายเสียแล้วอย่างว่ากว่าจะรู้ว่าท่านสาคัญก็หาตัวท่านไม่ได้เสียแล้ว ก็เข้าทำนองที่ท่านว่าไว้นั้นเทียวว่าคนเราจะรู้ว่าอะไรมีค่ามีความสำคัญก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้หลุดจากมือไปแล้วแล้วที่บ้านของท่านเล่ายังมีพระในบ้านซึ่งมีค่ามีความสำคัญที่ยังไม่หลุดจากมือไปหรือไม่ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเปรียบเหมือนต้นโพต้นใสใบดกหนามีร่มเงาอันเย็นสบาย ให้บรรดาลูกลูกจะพึ่งเข้ามาพึ่งพาอาศัยได้ทุกเมื่อทุกคราวแม้จะโผผินจากไปแล้วแม้จะถ่ายรถหรือจิกกินลูกผลจนหมดหรือหักกรานกิ่งก้านสาขาไปแล้วหวนกลับมาพึ่งร่มโพร่มไซต้นเดิมอีกโพไซต้นนี้ก็ยังมีร่มให้ลูกๆูกได้พักชื่นใจเหมือนเดิมโดยไม่ได้โกรธเคือง หรือพูดให้พู้พึ่งพิงคือลูกต้องเสียน้ำใจเลยยังพร้อมเสมอที่จะให้ความเย็นแก่ลูกทุกคนและทุกครั้งพอท่านล้มหายตายจากไปนั่นแหละลูกๆจึงหมดที่พึ่งหมดร่มเงาอันเย็นสนิทไปแม้จะคิดถึงโพไซต้นนี้ก็หมดหวังจึงต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง รวมกันได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าหน้ากันไม่ติดบ้างทะเลาะ ก, กันเองบ้างไปตามเรื่องตามราวพี่น้องบางรายพอพ่อแม่ตายไปก็จากกันและไม่พบกันอีกเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมีนี่แหละท่านจึงว่าขาดพ่อเหมือนถอหักขาดแม่เหมือนแพรแตกการไม่มีพ่อนั้น เพียงแค่เหมือนคนล่องแพไปตามน้ำบังเอิญถอที่ใช้พยุงแพคัดแพให้ตรงร่องน้ำให้พ้นเกาะแกงโขดหินในท้องน้ำมาหักเจ้ะกลางคันแพก็ยังพอประทังตัวให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำได้จะกระทบโขดหินจะติดเกาะติดแกงทําให้คนบนแพล้มลุบคลุบกรานไปบ้างก็ยังดี แต่พอแพรแตกนี่สิหมดที่พึ่งเอาเสี้ยจริงๆเมื่อแพรแตกคนบนแพรก็แตกกระสารสั้นเซนล่องลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่แข็งแรงหน่อยก็พอพยุงตัวลอยคอไปถึงฝั่งได้บ้างที่อ่อนแอก็อาจจะจมน้ำตายไปเลยหรืออาจจะรอดได้หมดแต่ก็ต้องถูกกระแสน้ำพัดพากระทบเกาะแก่งโขดหินในลาธาร ให้แขนขาเนื้อตัวถลอกปอกเปิ่งไปตามๆกันผู้ที่ยังมีทอทั้งแผ่นี้นับว่ามีโชคดีประคับประคองทอและแผ่ไว้ให้ดีเถิดการเลี้ยงน้ําใจพ่อแม่การเลี้ยงร่างกายพ่อแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ยังหาเพียงพอที่จะเปรืองนี่ที่ท่านเคยให้เราได้ไหม พราะหนี้ของท่านที่มีต่อเรานั้นเป็นหนี้ที่ชนิดไม่ใช่เพียงท่วมบาท่วมหูเท่านั้นแต่เป็นหนี้ชนิดท่วมหัวทีเดียวเราจะทดแทนเพียงเล็กน้อยหาคุ้มไม่เลี้ยงกายท่านยังไม่พอยังต้องเลี้ยงน้ำใจท่านควบคู่กันไปด้วยการเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่ก็คือการไม่ทาให้พ่อแม่ช้าใจเสียใจหรือถึงกับน้าตาตก เพราะเราเป็นต้นเหตุการที่เราผู้เป็นลูกประพฤติตนตามคำแนะนำตักเตือนของท่านเป็นคนอ่อนน้อมไม่หัวดื้อถือรั้นมีสัมมาคาระวะรักเคารพท่านทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่แสดงความไม่พอใจออกมาให้ท่านเห็นให้ท่านน้อยใจโดยถือว่าท่านเป็นพระจริงๆ การพูดจาหรือการแสดงกิริยาอื่นก็เป็นไปด้วยความยำเกรงมีความยกย่องนับถืออยู่ในทีการประพฤติปฏิบัติตนของเราอย่างนี้ย่อมจะนำความแช่มชื่นเบิกบานใจและความพอใจมาให้ท่านได้เพราะพ่อแม่นั้นพอเห็นลูกเชื่อถ้อยฟังคำเท่านั้นก็เป็นอันหมดห่วงไปได้ระดับหนึ่งแล้ว ความกังวลว่าลูกจะไม่ดีดังใจนึกความกลัวว่าลูกจะลำบากลำบนในวันหน้าก็จะหมดไปเมื่อท่านหมดห่วงใยในตัวเราท่านก็จะกินได้นอนหลับจิตใจก็ปลอยสบายไปด้วยเป็นการต่ออายุท่านได้เสียด้วยจริงอยู่บางทีเราอาจจะอยู่ห่างพ่อแม่ด้วยไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่น ไปอยู่ไปทำงานที่ไกลๆ ไ, ไม่ค่อยได้มีโอกาสเลี้ยงร่างกายท่านตอนนานๆจึงจะได้กลับมาหาท่านทีหนึ่งนานๆจึงจะได้ส่งของมาให้ท่านครั้งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าได้คิดวิตกกังวลว่าจะไม่ได้ทดแทนพระคุณท่านแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงกายท่านเป็นการตอบแทนการเลี้ยงจิตใจท่านนี่แหละ ได้ทดแทนได้เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ประพฤติตัวให้ดีที่นั่นอยู่ที่ไหนทำชื่อเสียงไว้ที่นั่นอยู่ที่ไหนวางตัวให้เหมาะสมทำตัวให้เขารักให้เขานับถือที่นั่นโดยหมันนึกและทำตามคำแนะนำของพ่อแม่เสมอๆ เ, เท่านี้ก็ถือว่าดีถมไปแล้วที่ว่าดีในที่นี้ คือดีสำหรับตัวเองด้วยดีสำหรับพ่อแม่ด้วยคือพ่อแม่แม้จะอยู่ห่างลูกแต่ความดีของลูกทําไว้จะขะจรขจายไปถึงหูท่านเองเพราะขึ้นชื่อว่ากลิ่นของความดีนี่สามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดีกว่ากลิ่นอื่นๆในโลกเมื่อท่านได้ยินเข้าก็จะปลื้มใจสบายใจหายห่วง ว่าลูกอยู่ดีมีสุขแล้วพร้อมกันก็จะอวยชัยให้พรให้เราเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราอยู่ที่ไหนก็เท่ากับเอาพ่อแม่ติดตัวไปด้วยแม้จะเป็นเพียงคำเตือนคำสอนของท่านก็ยังดีหรือตัวอยู่ไกลไม่อาจจะอยู่ใกล้ชิดได้นานๆก็ไปหาท่านบ้างไปเยี่ยมเยียนถามไถ่สุขทุกข์ท่านบ้างตามโอกาส ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปดูแลรักษาท่านหรือทำประการอื่นๆที่จะทำให้ท่านเกิดความสบายใจการทำเช่นนี้เป็นการเลี้ยงจิตใจท่านทั้งนั้นและเป็นการสนองความหวังของท่านเพราะพ่อแม่นั้นอุตสาหเลี้ยงเรามาก็เพื่อประสงค์ว่ายามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใชย้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา ยามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายรวมความว่าการเลี้ยงน้ําใจพ่อแม่ก็คือการทําอย่างไรก็ได้ที่จะให้ท่านเกิดความเบิกบานใจไม่ทุกข์กังวลเดือดร้อนหรือไม่สบายใจเพราะการกระทําของเราเพราะเราเป็นต้นเหตุและการเลี้ยงแบบหลังนี้สําคัญกว่าการ เลี้ยงร่างกายมากนักเพราะพ่อแม่นั้นแม้จะกินอิ่มนอนอุ่นเพียงไรหากเกิดความไม่สบายใจต้องแอบร้องไห้เพราะลูกลูกไม่เคยเอาตาดูเอาหูใส่ไม่เคยคำนึงถึงท่านแทบจะลืมว่ามีท่านอยู่ในโลกนี้ด้วยหรือชอบทำตัวเหลวไหลไม่เชื่อฟังคำเตือน ชอบก่อแต่เรื่องวุ่นวายให้ท่านกระเทือนจิตใจไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเป็นเช่นนี้เลี้ยงร่างกายจะได้ประโยชน์อะไรเพราะใจไม่เป็นสุขเสียแล้วแม้กินก็จะกินไม่ได้แม่นอนก็จะนอนไม่หลับแล้วร่างกายจะทนไหวหรือเลี้ยงจิตใจพ่อแม่อย่างนี้แต่ก็สมควรแล้วที่เราผู้เป็นลูกจะพึงเลี้ยงได้มิใช่หรือตอนที่เราเป็นเด็ก เราดื้อก็เท่านั้นโกงก็เท่านั้นเอาใจยากสารพัดพ่อแม่ยังอดทนตามใจเราเลี้ยงน้ำใจเราจนเติบใหญ่มาได้ที่เราจะเลี้ยงเอาใจท่านบ้างมิได้เชียวหรือแต่ผู้ที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้นั้นก่อนอื่นจะต้องรู้จักธรรมดาของคนแก่ด้วยหากไม่รู้กันเสียก่อนก็อาจจะเลี้ยงไม่ได้หรือเลี้ยงได้ แต่ไม่นานนักก็จะเกิดความเบื่อหน่ายชิงชังขึ้นมากลางคันแล้วจะบ่นว่าคนแก่เอาใจยากและเลี้ยงยากขึ้นชื่อว่าคนแก่แล้วย่อมเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเพราะเป็นธรรมดาของคนแก่คือจูจ้จี้ขี้บน่นจุกจิกหลงลืมขี้รำคาญเห็นลูกเห็นหลานทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดคือมักไม่ชอบใจไม่ถูกใจอยู่ร่าไป ทั้งจะทำอะไรให้ถูกใจท่านก็ยากด้วยเพราะการปรับใจปรับอารมณ์ของคนแก่นั้นไม่ไวไฟเหมือนกับตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือตอนอายุยังน้อยทั้งนี้ก็เพราะมีความคิดละเอียดสุขุมรอบครอบขึ้นไม่ตกอยู่ในอารมณ์อื่นได้ง่ายๆด้วยเหตุนี้แหละคนรุ่นใหม่จึงชอบค้อนขอดคนเก่าคนแก่ว่าเป็นไดโนเสาร์ หรือเป็นเต่าพันปีอะไรทำนองนี้ก็จริงของเขาอย่าได้ไปว่าเด็กเลยแล้วก็จริงอีกเหมือนกันที่เด็กรุ่นใหม่ที่เคยค่อนขอดคนแก่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพอตนเองแก่ตัวลงไปความคิดความอ่านที่จะพลอยแก่ไปด้วยแล้วก็จะตกอยู่ในสถานะอย่างที่ตัวเคยว่าเคยค่อนขอดมาแล้วเช่นกัน เป็นมรดกตกทอดกันไปทำนองว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองนั่นแหละที่ว่าควรรู้จักคนแก่ให้ดีก็คือควรรู้ธรรมชาติของคนแก่ว่าเป็นคนเช่นนี้พอรู้แล้วจะได้เห็นว่าคนแก่จู้จี้ขี้บน่นหรือเอาใจยากนั้นเป็นธรรมดาไม่ได้จริงจังอะไรจะถือเอาเป็นอารมณ์จนเกินไปไม่ได้ และอย่าได้ถือเป็นจริงเป็นจังจนถึงกับเมื่อเห็นท่านทำอย่างนั้นแล้วพานไปโกรธเคืองไม่พอใจหรือไปถกเถียงท่านเลยการทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟโกรธให้คนแก่ไปเสียการเลี้ยงคนแก่ต้องอดต้องทนท่านก็บ่นของท่านไปตามเรื่องตามราวจะเอานิยายอะไรไม่ได้นักกรอก ท่านว่าเลี้ยงคนแก่ให้ได้ดีต้องพกพระปิตวาลจึงจะเลี้ยงได้การที่ท่านให้พกพระปิตวาลนั้นท่านเปรียบให้เห็นว่าต้องทําตัวให้เหมือนกับพระปิตวาลคือพระปิตวาลนั้นท่านปิดอวัยวะรับรู้อารมณ์ทั้งหมดท่านปิดไว้มิชิดดีนักคือท่านปิดตาปิดหูและปิดปากไว้ไม่ให้ตาเห็น ไม่ให้หูได้ยินไม่ให้ปากพูดที่ให้พกพระแบบนี้เข้าไว้ก็เท่ากับแนะให้ท่านดูพระปิตวานเป็นตัวอย่างแล้วทำอย่างท่านบ้างคือให้ปิดหูปิดตาปิดปากบ้างเพื่อให้จำง่ายๆถึงกับบอกไว้เป็นตำราว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูทั้งสองปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบาย ปิดตาทั้งคู่ปิดหูทั้งสองไม่ปิดปากเสียบ้างเป็นทุกข์จนตายคนเรานั้นบางครั้งแม้ตาจะไม่บอดก็ต้องทําเป็นตาบอดเสียบ้างแม้หูไม่หนวกก็ต้องทําเป็นหูหนวกเสียบ้างแม้ไม่เป็นใบก็ต้องทําเป็นเป็นใบเสียบ้างเพื่อปิดกั้นอารมณ์ภายนอกไม่ให้เข้ามากระทบกระแทกให้กระเทือนใจได้ เลี้ยงคนแก่ต้องทำใจให้หนักแน่นและบางครั้งก็ต้องปิดตาปิดหูปิดปากอย่างนี้จึงจะเลี้ยงท่านได้เมื่อทำได้นอกจากจะเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วยังนั่งนอนสบายไม่รำคาญใจเมื่อได้เห็นเมื่อได้ยินท่านบน่นหรือทำไม่ถูกใจเพราะหลงหลงลืมลืมอีกด้วยโดยมาคิดเห็นว่านั่นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของคนแก่ ท่านจูจีนักก็ทนฟังท่านไปสักครู่ท่านเหนื่อยท่านก็หยุดไปเองท่านจะมานั่งบนเราได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อไรท่านจะเอาแรงที่ไหนมาสําคัญตอนที่ฟังอยู่นั้นอย่าให้พระปิตวานหลุดหายไปได้เป็นดีหากหล่นหายเสียแค่ปิดตาปิดหูขึ้นมาก็พอทํำนาหากเปิดปากขึ้นมาบ้างคราวนี้แหละเป็นไฟปลารายการเชียวละ ลูกศิษย์นอกครูทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกหนี้ของพ่อแม่และพ่อแม่เป็นพ่อครูแม่ครูและเป็นพระอาจารย์เคยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนตนมาจนได้ดีกันนี่แหละบางทีเราก็ลืมนึกถึงท่านเหมือนกันที่เราลืมนั้นมันเป็นเพราะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาบังใจทําให้เราใจบอดไปชั่วระยะหนึ่ง หากไม่เปิดสิ่งบางตาสกิดสิ่งบางใจออกแล้วก็อาจคิดว่าตัวเองเป็นอิสระไม่มีข้อพันท้าผูกพันอะไรกับพ่อแม่อีกแล้วเมื่อเราโตแล้วพ่อแม่ก็หมดความหมายอะไรทํานองนี้คือลืมพ่อหรือแม่ได้จริงๆการลืมพ่อหรือแม่ทํานองว่านี้เมื่อยังมีชีวิตตัวตนอยู่แต่ไม่ได้เอาใจใส่ท่านนี่ก็ ยังพอทำเนายังพอคิดแก้ไขได้ตอนหลังอาจกลับใจตั้งสติระลึกถึงท่านขึ้นมาได้และอาจจะหันกลับไปดูแลปรนิบัติท่านได้แต่การลืมบุญคุณของท่านนี่สีร้ายนักบางทีบอกก็แล้วเตือนก็แล้วยังนึกไม่ออกยังแลไม่เห็นหรือนึกออกแต่ก็เพียงรู้เท่านั้นไม่ได้เกิดความซาบซึง้ง หรือเกิดความคิดที่จะตอบแทนพระคุณท่านเลยอย่างนี้แหละร้ายที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแรงเสียด้วยคนที่ลืมบุญคุณของพ่อแม่นั้นหาดูได้ไม่ยากนักในยุคสมัยนี้อย่างที่มีเล่ากันว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านชนบทที่ค่อนข้างห่างความเจริญสองสามีภรรยาเป็นหัวหน้าครอบครัวมีอาชีพในทางทำไร่ พอมีพอกินไปวันวันประเภทคนทำมาหากินคือทำได้มาแล้วก็หากินหมดไปไม่มีพอที่จะเหลือเก็บนอกจากมีพอประทังชีพสองคนแล้วก็ลูกชายเล็กๆอีกคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อลูกโตพอที่จะเรียนหนังสือได้แล้วก็พาไปฝากเข้าโรงเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วยในหมู่บ้านของตัวยังไม่มีโรงเรียน ตอนเช้ามืดแม่ต้องลุกหุงหาอาหารให้พ่อลูกกินแล้วก็จัดเตรียมตอนเช้ามืดพ่อแม่ต้องลุกหุงหาอาหารให้พ่อลูกกินแล้วจัดเตรียมใส่หม้อดินเล็กๆเพื่อเป็นอาหารมื้อกลางวันสําหรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็พาลูกหอบหิ้วหนังสือและอาหารมื้อนั้นไปส่งที่โรงเรียนเสร็จแล้วจึงกลับมาช่วยพ่อทํางานไร่ต่อ ตกเย็นพ่อมีหน้าที่ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนทั้งสองทำอยู่เช่นนี้จนกระทั่งลูกเรียนจบชั้นปฐมปีที่สี่อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนจะให้ลูกเรียนต่อในเมืองก็ไม่มีปัญญาจะส่งเสียทั้งลูกเองก็ไม่อยากจะเรียนต่อด้วยพอออกจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานไร่บ้างตามกำลังจนเติบโต ความที่พ่อแม่ตามใจและรักมากตั้งแต่เล็กเล็เขาจึงค่อนข้างจะเกียจคร้านชอบเที่ยวเตะคบเพื่อนต่างหมู่บ้านไม่เลือกหน้าถึงกระนั้นพ่อแม่ก็ไม่กล้าต่อว่าเพราะตัวเองยังพอมีกำลังทำงานได้ต่อมาพ่อเป็นโรคลาไส้รักษาด้วยยากลางบ้านตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หายท้ายสุดก็ตายไป ฝ่ายแม่ก็อดทนหาเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งลูกไปมีครอบครัวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรโดยอาศัยรูปร่างดีเป็นเครื่องประกอบจึงได้ภรรยาที่พอมีอันจะกินทั้งยังเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงอยู่กินดีเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงอยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเก่า เมื่อสบายแล้วเขากลับลืมคนอีกคนหนึ่งคือแม่ของเขาซึ่งทำงานอยู่ที่เดิมเขาไม่เคยกลับมาหาแม่หรือส่งข่าวให้แม่ทราบเลยนับจากเดือนเป็นปีเข้าตำราหลงเมียลืมแม่ก็คงจะได้อยู่ฝ่ายแม่เมื่อลูกชายไปมีภรรยาแล้วหายเงียบไปไม่มาหาเลยทนคิดถึงลูกไม่ไหวจึงไปหาลูกชาย ในระยะแรกๆเขาก็ต้อนรับแม่ด้วยดีแต่พอบ่อยเข้าก็เกิดความรำคาญที่แม่มาให้เห็นหน้าบ่อยๆต่อมาแม่เกิดป่วยขึ้นทำงานไม่ได้เงินที่พอมีเก็บเล็กๆน้อยๆก็เอามาซื้อยารักษาโรคจนหมดโรคก็ยังไม่หายจำต้องหอบสังขารไปหาลูกชายหวังมาฝากผีฝากไข่กับลูก แต่พอเห็นหน้าแม่เท่านั้นลูกชายแทนที่จะดีใจกลับพูดเป็นํำนองให้รู้ว่าตนเองไม่อยากจะให้แม่มาอยู่ด้วยแม่ก็เลยพูดไม่ออกบอกแม่ว่าแม่จะมาอยู่ด้วยไม่ได้ได้แต่มองตาลูกลูกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียแม่ก็คิดว่าไหนไหนบากหน้ามาแล้วเมื่อลูกมันไม่รักษาไม่เลี้ยงดูไม่เป็นไร ขอไปรักษาที่อื่นแต่เงินไม่มีนี่ีจะทำยังไงจะขอลูกเขาก็คงไม่ให้จึงตัดสินใจยืมลูกไปก่อนวันหลังหายแล้วคงหามาใช้ได้ฝ่ายลูกก็โยกโย ว, ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของเมียยืมแล้วต้องทำสัญญาเดี๋ยวเมียจะว่าเอาได้แม่ก็ต้องยอมกร้ำกรืนทำสัญญากู้ยืมกันไว้ เมื่อได้เงินแล้วก็เข้าเมืองรักษาแต่โรคคนแก่ผสมกับโรคทางกายที่สุดโทมเพราะกรมงานมาหนักและโรคทางใจที่ถูกแม่ไม่แยแสจึงสุดโทมลงซอมลงเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปจำต้องกลับบ้านอาศัยเพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้างให้ข้าวให้น้ำพอประทังไปได้วันวั น, วนเดชะบุญแห่งความเป็นแม่ แทนที่จะตายโรคกลับทุเลาพอไปไหนมาไหนได้และพอมีกําลังทำงานไปเก็บพืชผลในไร่มาขายได้เรียกว่าโรคเวรโรคกรรมมันยังไม่หมดว่าอย่างนั้นเถอะต่อมาเงินเกิดขาดมืออีกเพราะพืชผลทำไร่เสียหายจำต้องเอาที่ดินผืนเล็กๆนั้นไปขายฝากไว้กับเพื่อนบ้านเอาเงินมาเลี้ยงตัว แล้วก็กินทุนนั้นเรื่อยไปฝ่ายเจ้าลูกชายพอทราบว่าแม่ขายที่คงจะมีเงินใช้หนี้ได้บ้างก็มาทวงแม่แม่ก็บอกว่าตอนนี้เงินพอมีแต่ต้องการเก็บไว้ซื้อข้าวกินบ้างเมื่อไม่ได้ลูกชายก็กลับไปวันหลังมาทวงอีกแม่ก็เลยบอกว่ามีจะส่งไปให้เลยเจ้าลูกชายก็บอกว่าแม่อย่ากโกงก็แล้วกัน ถ้าโกงเมื่อไรจะฟ้องร้องเมื่อได้ยินลูกว่าเช่นนั้นความอดกลั้นที่มีอยู่มันไม่รู้หายไปไหนหมดแม่ก็บอกลูกไปว่าข้าไม่มีเงินแล้วตอนนี้และข้าก็จะไม่ใช้เองด้วยเองจะฟ้องร้องหรือเอาข้าไปตัดหัวขวัวแห่งที่ไหนก็ตามใจแกเถอะอ น, นิจจาลูกพูดถูกแม่พูดด้วยน้ำตานองหน้าอย่างนี้ แทนที่จะรู้สึกหรือยกนี้ยกสินให้แม่เลิกแล้วต่อกันไปเขากลับไปหากำนันแล้วก็เล่าเรื่องรลวให้ฟังทั้งหมดพร้อมทั้งกำชับกำนันให้จัดการเอาเงินคืนให้ด้วยลูกจันไรพันนี้ก็มีด้วย กำนันคิดด้วยเป็นคนที่รักความยุติธรรมและเป็นคนตรงพร้อมบอกว่าเอาละเงินจำนวนนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดข้าจะใช้เองแทนแม่เองทั้งหมดแต่มีข้อแม่นะเองจะต้องทำให้ได้อย่างหนึง่งเมื่อเขาได้ยินกำนันพูดเช่นนั้นก็ดีใจขึ้นอัโคเงินคงได้คืนมาแน่ จึงรีบรับปากกํานันว่าจะทําตามข้อแม้ทุกอย่างข้อแม่ของข้าคือนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เอ็งมาหาข้าทุกเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนข้าจะทําถุงเล็กๆใบหนึ่งให้เอ็งผูกไว้ที่เอวข้างหน้าและในถุงนี้ต้องผูกไว้เป็นประจําตลอดทั้งเดือนห้ามเอาออกเด็ดขาดทั้งเวลากินเวลาเดินเวลานอน หรือแม้แต่อาบน้ำเข่าส้วมอะไรก็แล้วแต่เวลาเอ็งมาหาข้าข้าก็จะใส่ก้อนหินขนาดเท่าลูกพุทธาวไว้ในถุงวัลกวลก้อนวันละก้อนเพื่อนับว่าเอ็งมาหาข้าได้กี่วันแล้วและก้อนหินนี้ห้ามเอาออกจากถุงทุกเวลาเหมือนกันห้ามตบตาข้าด้วยถ้าข้ารู้ว่าถ้าเองไม่ทําตามข้อตกลงข้าจะไม่ยอมให้เงินเอ็งเลยสักบาทเดียว เพราะถือว่าเองผิดสัญญาแค่นี้เองทำได้ไหมละ่ะเรื่องเล็กเขาคิดแค่นี้ทําไมจะทำไม่ได้ระยะทางที่มานี่กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นมาหากำนันเท่ากับเดินออกกำลังตอนเช้าไปในตัวเพื่อแลกกับเงินที่แม่ยืมกลับคืนมาทั้งต้นทั้งดอกที่กำนันจะให้ตั้งสองพันกว่าพอคุ้มกันแล้ว ดีกว่าไปทำงานรับจ้างเขาเส็ดด้วยซ้ำกิฟเช่นนี้จึงตกปากรับคำทันทีคนเห็นแก่เงินย่อมเห็นเงินสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังรุ่งขึ้นอีกวันเขามาหากำนันแต่เช้า กำนันก็มอบถุงให้หนึ่งใบผูกสะเอวเข้าไว้แล้วเอาก้อนหินใส่ไว้ในถุงเป็นประเดิมหนึ่งก้อนโดยไม่ต้องหาพระมาชยันโตเอาเลิกให้เสียเวลาเขากลับไปบ้านเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาก็ไม่ว่ากระไรเขาทำเช่นนี้ได้ประมาณห7เจดวันความอึดอัดเริ่มจู่โจมเข้ามาทีละน้อยทีละน้อย ตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรต่อมาเมื่อก้อนหินมีหลายก้อนเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนแม้จะเอาชายเสื้อคลุมถุงไว้มันก็นนนออกมาแถมหินกระทบกันดังกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริกก๊กตลอดเวลาทําให้รำคาญหูอีกต่างหากเวลานอนก็ต้องนอนตะแคงจะนอนหงายก็ไม่ถนัดถุงหินมันทับอยู่ที่บนหน้าท้องจะนอนคว่ำก็ไม่สะดวก ถุงหินมันกดหน้าท้องที่ลำบากที่สุดคือเวลาเข้าซ่วมดูมันทุลักทุเลชอบกลแต่ความอยากได้เงินคืนจำต้องทนเอาในไหนก็ทนมาได้ตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วทนเอาอีกหน่อยเทอหนาเขาปลอบใจตัวเองสิบวันผ่านไปความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นตามลำดับความอดกลั้นต่อความรำคาญชักหมดไปทุกขณะ สิบห้าวันยังไม่ทันพ้นความอดทนก็ถึงขีดสุดเขารีบจ้ำไปหากำนันในเย็นวันนั้นเลยกำนันเห็นเข้าก็รู้ทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็แกล้งถามอ้าวมาทำไมอีกเมื่อเช้ามาทีแล้วนี่นาะผมมาคืนถุงกำนันครับเขากล่าวอ่อยเอมันยังไม่ครบเดือนนาะ นี่เพิ่งได้สิห้าวันเท่านั้นยังไม่หมดสัญญานีิคืนได้เหรอผมทนไม่ไหวแล้วครับต้องคืนแน่เอาคืนก็คืนแต่เงินค่าไม่จ่ายให้หน้าบอกก่อนเองผิดสัญญาครับเงินผมไม่เอาก็ได้แล้วมันรำคาญเต็มทีเวลากินเวลานอนมันทรมานเเลือเกินยิ่งเวลาเข้าซ่วมด้วยแล้วอย่าบอกใครเลยกัมน้น ว่าแล้วก็รีบแก้ถุงออกจากเอวส่งให้กำนันแม้พอเอาออกเสียได้ผมโล่งอกโล่งใจไปเยอะทีเดียวเขาบนเบาๆกำนันได้ยินเขาพูดเช่นนั้นก็นึกว่าได้การละคราวนี้ได้ทีแล้วจะขี่ม้าไล่เสียเลยจะได้เร็วดีขี่แพะไล่มันช้าไปเฮ้ยนั่งลงก่อนสิ เดื่มน้ำเดื่มท่าให้สบายเสียก่อนแล้วฟังค่ะขาจะพูดให้เองฟังกําหนดหยุดนิดหนึ่งแล้วก็ร่ายยาวต่อคืออย่างนี้นะแค่เองผูกถุงหินไว้ที่หน้าท้องสิบหาวันเท่านั้นเองยังบ่นว่าทรมานราคาลเลือกเกินแล้วอยากจะอออกเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่ตอนที่เองอยู่ในท้องของแม่เองน่นนะ เองโตทุกวันทุกวันแม่เองอุ้มเองอยู่ได้ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนทำไมแกไม่เห็นจะบ่นทุกทรมานหรือว่าราคาญเลยไม่ว่าแม่เองจะไปไหนจะทำอะไรเองก็ต้องติดท้องแกไปด้วยตลอดเวลาตอนนั้นน่ะเองลองคิดดูทีหรือว่าแม่เองจะราคาญหรือทุกทรมานแค่ไหนตั้งสิบเดือนโญนะ กำนันหยุดนิ่งมองดูเขานิดหนึง่งเมื่อเขาไม่พูดอะไรก็พูดต่อแม่เองนะ่ะลําบากลําบนเพราะเองไม่รู้จักเท่าไรเองเคยคิดบ้างไหมในท้องสิบเดือนนะ่ะมันน้อยไปด้วยซ้ํากว่าจะเลี้ยงเองโตมาเนี่ยแม่เองต้องเสียข่าวเสียน้ําไปเท่าไรกว่าเองจะอ่านออกเขียนได้กว่าจะเป็นผู้เป็นคนมากับเขาได้เนี่ย แม่เองต้องเทียวรับเทียวส่งเองไปเรียนโรงเรียนกี่ปีเสียแรงเสียเงินไปเท่าไรเองคิดดูเอาเองเท่าที่ข้ารู้มาแม่เองหนะกกำลังลำบากเพราะเองคนเดียวเพียงแกยืมเงินเองมาแค่สองพันบาทเท่านั้นเองจะมาเอาเป็นเอาตายกับแกทีเดียวหรือเงินแค่นี้น่ะมันไม่คุ้มค่าเลี้ยงดูเองมาปีเดียวเสียด้วยซ้าไป ถ้าแม่เองแกเรียกร้องขา่าเลี้ยงดูจากเองนะเองเอ้ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็ทำให้แกไม่หมดรอกแต่แกก็ไม่เคยเรียกร้องเอาจากเองเลยสักแดงเดียวแม่อยากจะได้ก็ขอยืมเอาแล้วเองจะเอาไงกับแกอีกล่วถ้ายังอยากได้เงินจากแม่เองอีกแล้วก็ ก็อย่าไปเอากับแกเลยแกแกแล้วข้าจะใช้นี่ให้เองเอาไหมเขายังนิ่งเหมือนเดิมกำนันก็เลยลำนำคำกรอนให้เขาฟังเรื่อยๆรักได้เล่ารักแน่เท่าแม่รักผูกสมัครลูกมั่นมีวันไว้ห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้แกลูกอยู่ทุกครา ยามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยกำนันว่าอย่างไรเขาไม่ได้ยินอีกแล้วและไม่รู้ว่าก่อนที่จะลงจากบ้านกำนันนั้นตัวเองได้ลาหรือไหว้กำนันบ้างหรือเปล่ามารู้ตัวอีกทีหนึง่ง ก็ต่อเมื่อตัวเองโผล่เข้าไปอยู่ในอ้อมอกของแม่เสียแล้วเรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่องนิทานแต่ก็เกิดขึ้นกับชีวิตจริงจึงอาจเป็นนิทานชีวิตก็ได้และที่เล่านิทานเรื่องนี้มาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสอนให้รู้ว่าอะไรทั้งสิ้น บูชาพระในบ้านพระพุทธรูปและพระเครื่ององค์เล็กๆเราอุตส่าห์ไปเช่าไปซื้อหามาด้วยราคาแพงๆและลงทุนทำที่ตั้งที่ประดิษฐานไว้อย่างดีพร้อมบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเป็นประจำทุกวันแม้ก่อนนอนก็กราบไหว้สวดมนต์ขอพรจากท่านก่อนจิตใจจึงสบายนอนหลับด้วยความเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่น หรืออย่างพระสงฆ์เราก็ให้ความเคารพกราบไหวบูชาด้วยดีถวายข้าวถวายน้ำและปัจจัยอื่นๆเพื่อให้ท่านได้มีกำลังทากิจเพื่อดำรงพระศาสนาอันเป็นหน้าที่ของท่านสืบไปเราบูชาพระกันมาอย่างนี้แต่อย่าลืมพระที่มีลมหายใจคือพ่อแม่เสียควรบูชาท่านบ้างตามควร ด้วยการเลี้ยงท่านทางร่างกายคือให้ปัดใจสีดูแลทุกสุขคำนองเอาตาดูเอาหูใส่บ้างไม่วางเฉยเสียและด้วยการเลี้ยงจิตใจท่านคือพยายามทาตนให้ดีเชื่อฟังอยู่ในกรอบโอวาทคําเตือนของท่านเรื่องใดจะนำความเสียใจและกระทบกระเทือนใจมาสู่ท่านก็ละเว้นเสียคำพูดคําจา ที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อยต้องรักษาน้ำใจของท่านไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูและฟังดูแล้วไม่เป็นการกระทบกระทั่งท่านว่าเป็นคนล้าสมัยอยู่ไปก็เกกกะบ้านอะไรทำนองนี้แม้ตัวจะอยู่ห่างไกลก็ส่งข่าวถึงท่านบ้างหรือหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นตาบ้าง ไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเวนอนคิดถึงเราเพียงลําพังสาคัญต้องทาตัวให้เหมาะสมให้ดีพอที่ท่านจะไว้วางใจแล้วมอบมรดกให้เพราะพ่อแม่แม้จะรักลูกเท่าๆกันก็ตามแต่เวลาจะให้มรดกท่านต้องมองดูลูกแต่ละคนก่อนว่าคนไหนมีนิสัยใจคออย่างไร ชอบประพฤติตัวอย่างไรมีความดีพอจะรักษามรดกที่จะมอบให้หรือไม่มอบให้แล้วจะถูกผลานหรือทําให้งอกเงยขึ้นหรืออย่างไรท่านต้องดูหมดดูอย่างรอบคอบพินิษพิเคราะห์หากเห็นว่าลูกคนใดทําตัวไม่ค่อยดีถึงให้มรดกไปก็รักษาไม่ได้แน่ท่านก็มักจะไม่ให้หรือให้แต่น้อย แต่กลับไปใ ห, ให้อีกคนหนึ่งที่เห็นว่าดีลูกที่ไม่ได้รับมรดกมักจะโกรธเคืองพ่อแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันมีความลำเอียงแต่หาได้มองดูความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนเองไม่อย่างในน้อยก็คงเคยทำให้ผิดใจพ่อแม่มาบ้างละแต่ก็มีอยู่มิใช่น้อยเหมือนกันที่พ่อแม่ไม่ได้มองลูกให้ท่องแท้เสียก่อน ที่จะมอบมรดกให้ไปให้ลูกได้ใกล้ชิดลูกที่เอาอกเอาใจเก่งหรือลูกที่ชอบประจบประแจงเป็นประจำโดยที่ปกปิดความไม่ค่อยดีของตนไว้ไม่ให้ท่านเห็นท่านก็นึกว่าดีแล้วและมอบมรดกให้ไปแต่ที่ไหนได้กระดูกพ่อแม่ยังไม่ทันจะผุเลยทรัพย์มรดกก็ถูกพลานไปจนหมดสิ้น อย่างนี้เป็นความผิดของใครพูดถึงบูชาพระในบ้านเคยเห็นมาไม่น้อยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบอะไรไม่เคยหามาให้บางทีก็ดุดาว่าท่านว่าจูจี้จุกจิกอยากได้ร้อนก็เอาเย็นมาให้อยากได้เย็นกลับเอาร้อนมาส่งพอท่านสิ้นไปแล้วจะทำบุญทำทานอะไรก็มักจะทำแต่สิ่งที่ พ่อชอบแม่ชอบมาถวายพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้โดยอ้างว่ากับข้าวชนิดนี้พ่อชอบแกงชนิดนี้แม่ชอบขนมชนิดโน้นเป็นของโปรโดของพ่อของชนิดนี้แม่เคยอยากได้อุตส่าห์ทาไปให้ก็นับว่าดีแล้วไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่มาคิดในใจว่า ถ้าทำให้ท่านหามาให้ท่านเสียตั้งแต่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ก็จะดีไม่น้อยนะสิทำแล้วนำไปบูชาท่านในบ้านเลยก็จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นส่วนบางคนนั้นตั้งอกตั้งใจทำบูชาท่านอย่างนี้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านอีกเรียกว่านึกถึงท่านเมื่อไหร่ ก็ทำสิ่งที่ท่านชอบอุทิศส่งไปให้ท่านคนเช่นนี้เราจะเห็นมีสักกิ่คนกันเล่าบูชาพระในบ้านนั้นแม้จะสิ้นเปลืองไปทุกวันแม้จะเป็นพระที่จู้จี้ขี้บน่นก็ควรจะทำเพราะว่านอกจากเป็นหน้าที่แล้วยังเป็นการเปลืองนี่น้ำนมหรือเปลืองนี่ชีวิตไปด้วย โอกาสที่ทําได้เช่นนี้ก็มีเพียงชั่วระยะเวลาที่ท่านยังมีลมหายใจเท่านั้นอย่าได้คิดรังเกียจหรือเบื่อหน่ายที่จะเลี้ยงท่านเลยเงินทองและทรัพย์สินที่เรานํามาเลี้ยงท่านนั้นถ้าจะว่ากันแล้วก็เป็นส่วนของท่านด้วยเหมือนกันพ่อแม่ทนลําบากเลี้ยงลูกให้โตมาได้เป็น9คนสิบคนแล้วลูกตั้ง9้าคนสิบคนนั้น จะช่วยการยอมลำบากเลี้ยงกั้นเพียงสองคนให้อยู่ดีมีสุขบ้างไม่ได้เวหรือ เลี้ยงพ่อแม่ได้ท่านว่าเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือไปแห่งหนตําตำบลใดก็ไม่ตกอับจะทำมาหากินอะไรก็จเจริญงอกงามจะค้าขายก็มีกําไรจะทำสวนทําไร่ก็ปริดอกออกผลดีได้เงินได้ทองมาก็เก็บรักษาไว้ได้ไม่ร้อนเงินและเงินก็ไม่ร้อนเพราะมีคุณธรรมคือน้ำใจ คือรู้คุณคนอยู่กับตัวคุณธรรมนี้สามารถเก็บความดีและทรัพย์สินเงินทองเข้าไว้ได้เพราะเป็นคุณธรรมที่เย็นสนิทธรรมดาความเย็นย่อมเก็บอะไรไว้ไม่ให้เสียไม่ให้เน่าได้ไม่ว่าอาหารปลาเนื้อผักชนิดไหนหากเก็บไว้ในที่เย็นเย็นก็จะอยู่ได้ไม่เน่าไม่เสียและความเย็นนั้น ก็ชอบเช่นชอบอยู่ในห้องเย็นเย็นชอบคำพูดที่เย็นเย็นชอบปลูกบ้านอยู่ในที่มีลมพัดเย็นเย็นชอบอยู่ตามริมน้ำลำคลองที่มีน้ำเย็นเย็นดูจะชอบเย็นกันทั้งนั้นไม่เฉพาะคนเท่านั้นที่ชอบเย็นถึงต้นไม้และสัตว์ก็ชอบเย็นเช่นกันอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตเช่นคนหรือสัตว์จะชอบเย็นกันเลย ถึงสมบัติต่างๆก็ชอบอยู่ในที่เย็นๆชอบอยู่กับคนเย็นๆเช่นกันใครเย็นมากสมบัติก็อยู่มากและอยู่นานใครเย็นน้อยสมบัติก็อยู่น้อยและอยู่ไม่นานใครไม่เย็นสมบัติก็ไม่อยู่เลยส่วนคนร้อนหากร้อนมากก็จะมีสมบัติมากสมบัตินั้นก็จะหนีออกไปเร็ว ถ้าร้อนน้อยก็จะค่อยๆหนีไปทีละน้อยๆเช่นที่ถ้าร้อนเข้ามาทางหน้าบ้านสมบัติก็รีบออกทางหลังบ้านนั่นเทียวบูชาพระในบ้านให้ดีก็มีประโยชน์ทอดทิ้งพระในบ้านก็มีโทษซึ่งบางครั้งประโยชน์และโทษนั้นอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับนานเกินไป จึงมีสูตรสาเร็จไว้เตือนใจกันมาว่าลูกคนใดที่ทำให้พ่อแม่เสียใจหนึ่งครั้งต่อไปตัวเองต้องเสียใจเพราะลูกสองครั้งลูกคนใดทำให้พ่อแม่ผิดหวังหนึ่งครั้งต่อไปต้องผิดหวังเพราะลูกสองครั้งลูกคนใดทำให้พ่อแม่น้ำตาตกหนึ่งครั้งต่อไปจะต้องน้ำตาตกเพราะลูกสองครั้งเพราะฉะนั้น หากลูกคนใดทำให้พ่อแม่ผิดหวัง10บครั้งทำพ่อแม่ให้เสียใจ10บครั้งหรือทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้สิบครั้งต่อไปตัวเองก็ต้องผิดหวังเสียใจหรือร้องไห้เพราะลูกตัวเองกี่ครั้งลองคํานวณดูในตรงกันข้ามลูกคนใดทำพ่อแม่ให้ได้รับความสมหวังหนึ่งครั้ง ต่อไปตัวเองก็จะได้รับความสมหวังจากลูกสองครั้งลูกคนใดทำพ่อแม่ให้ได้รับความชื่นใจหนึ่งครั้งต่อไปจะได้รับความชื่นใจจากลูกสองครั้งดังนั้นลูกคนใดทำพ่อแม่ให้ได้รับความสมหวังได้รับความชื่นใจได้รับความดีใจส0บครั้งต่อไปในชีวิต จะได้รับสิ่งนี้จากลูกของตนถึงยี่สิบครั้งสูตรนี้จะใช้ได้หรือไม่ก็เห็นจะต้องฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาและหรือทบทวนดูจากชีวิตที่ล่วงมาแล้วอาจจริงหรือไม่จริงอาจใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เท่าเท่ากันแต่ท่านก็วางเป็นสูตรไว้เช่นนี้ สลักรูปผู้บังเกิดกล้าวไว้บูชาในรัชสมัยรัชวงศ์อาหั่นระหว่างปีพุทธศักราช668ถึง762ที่เมืองหอไหลมีชายคนหนึ่งชื่อเต็งลังเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทียากที่จะหาผู้เปรียบได้แม้ว่าผู้บังเกิดกล้าวของเขาจะสิ้นชีพไปนานแล้ว แต่เขาก็มิวายระลึกถึงพระคุณของท่านทุกวันคืนได้ให้ช่างแกะสลักรูปบิดาขึ้นประดิษฐ์สถานบนแท่นบูชาไว้กราบไหว้แทนตัวทุกเช้าค่ำจะนำน้ำอุ่นไปลูบเช็ดจัดอาหารไว้เส้นไหว้ปรนิบัติเหมือนหนึ่งท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งแต่งล้างออกไปธุรกิจนอกบ้าน เตียซกเพื่อนบ้านมาขอยืมเครื่องใช้บางอย่างพระยาตแต่งลังเห็นว่าจะให้ไปก็ควรจะได้รับอนุญาตจากผู้เป็นใหญ่ในเรือนเสกกนจึงได้จุดธูปเทียนขึ้นที่หน้าแท่นบูชาอธิษฐานเสียงทายเชิงถามว่าจะควรให้ยืมหรือไม่ผลการเสียงทายปรากฏว่าไม่ควรเตียซกกำลังเมาสุราได้ฟังดังนั้นก็โกรธ ทลันเข้าไปแท่นบูชาด่าและเอาไม้ตีรูปสลักเมื่อแต่งลังกลับถึงบ้านเห็นรูปสลักเศร้าหมองจึงสอบถามสาเหตุภริยาเล่าความทั้งสิ้นให้ฟังแต่งลังกโกรธแค้นยิ่งนักช่วยกระบี่ได้ก็วิ่งตามไปแทงเตียะซกล้มลงยังไม่สาแก่ใจหมายจะแทงซ้ำให้สมกับที่มินผู้บังเกิดเกล้าของเขา บังเอิญญาตมิตรเข้าขวางกั้นไว้วันรุ่งขึ้นเตียซกนําเรื่องไปร้องเรียนกลมการเมืองเจ้าหน้าที่เห็นเตียซกมีบาดแผลสมคําฟ้องก็ให้พนักงานไปเกาะกลุมตัวเต็งล้างมาแต่งล้งา ง, ลงวิงบอลขออนุญาตเจ้าพนักงานว่าไหนๆจะเอาตัวไปแล้วก็ขอให้ได้บอกกล่าวคารวะบิดาก่อนเถิดเมื่อแต่งล้างเข้าไปคำนับรูปสลัก พนักงานติดตามเขาเข้าไปด้วยได้เห็นเบ้าตารูปสลักทั้งสองมีน้ำตาไหลรินออกมาเป็นที่อัศจรรย์เมื่อนำตัวเต็งล้างส่งมอบก็รายงานเหตุการณ์ที่ประจักษ์แกตาตนเองให้ทราบด้วยเจ้าเมืองมีความประหลาดใจจึงไปยังที่อยู่ของเต็งล้างพิจเคราะห์ดูรูปสลักด้วยตนเองก็เห็นคราบน้าตาปรากฏสมจริง จึงตัดสินปรับเตียศกให้ไปขอขมารูปเคารพและปล่อยเตงล้างพ้นข้อหาไปเตียซกพร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่ก็จัดสิ่งของเครื่องคำนับไปเส้นไหว้ขอขมาและกล่าวสารเสริญเตงล้างว่าเป็นผู้มีความกะตันยูกะตะเวทียากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน รัฐที่ถูกมองข้ามมีชนบทแห่งหนึ่งที่ประเทศจีนตั้งอยู่เชิงเขามีภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารมีลำธารสายไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาก็สับปรัดด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นช่ำเจริญตา ชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพออกไปทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นฝ้ายทอผ้าต่างมีความสุขมีฐานะมั่งคัง่งเหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุติพระภิกษุอยู่จำศีลภาวนาเชิงเขามีกระท่อมน้อยหลังหนึง่งเป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกแม่นั้นแม่อายุจะย่างเข้าสู่วัยชาราแต่นางก็ยังแข็งแรง พอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางเป็นเด็กรุ่นหนุ่มใหญ่ไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคํามารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากของแม่ที่ตรากตรมทํางานหนักเอาแต่เที่ยวเตเรเล่นสนุกถึงกระนั้นนางก็รักเขาอย่างสุดสวาสดขาดใจคอยเอาอกเอาใจไม่ให้อนาทร วันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนเขามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระเย็นวันนั้นเขาจึงขึ้นไปบนเขาเข้าไปนมัสการขอพระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พำนักอยู่บนยอดเขาเพื่อเอาไปไว้บูชาที่เรือนหวังจะให้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลาย ภิกษุได้ฟังก็กรา ว, ว่าฟังก่อนเม็งเอ๋ยเจ้าจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จดอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพ บ, บูชาท่านเถิดเจ้าจะจำเรินเม็งได้ฟังก็โฉนอุทานว่าที่บ้านของกระผมไม่เคยมีพระสักองค์ กระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้ไปบูชากับเข้าบ้างพระพิสุยังคงยืนกรานกลับไปเถอะเมงไปเฝ้ารออยู่ที่บ้านแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้เมื่อเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนพลีพ ร, พรามเสยจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกอยู่ข้างในเมงได้ฟังดังนั้น ก็สนเทยิ่งนักนมัสการลาพระพิสุรีบกลับฝ่าลมหนาวและละอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูบ้านผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเมงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับพอเห็นลูกชาย นางก็เอ่ยขึ้นว่าเม็งลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อเสียแล้วก็ไปผิงไฟที่หน้าเตาเจ้าหิวไหมละ่ะแม่จะไปเอาข้าวมาให้กิน กระแสเสียงที่หลั่งออกมานั้นน้มนวลยิ่งนักเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใ ย, ยความเมตตาปรานีที่บริสุทธิ์ใจเขาหัวระลึกถึงคําของพระภิกษุบนยอดเขาก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัตรนั้นเองว่ามีพระอยู่ใกล้ตัวมาแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละ่ะไม่เคยคิดเอาใจใส่แม่เท่านั้น ที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาท่าเดียวนับแต่นั้นมาเขาก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพ บ, บูชามานดาของเขาเหนือสิ่งอื่นใดใดในโลก